วจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏอยู่ในพระธรรมยอญบทที่สิบห้าข้อสี่ความว่าจงเข้าสนิทในเราและเราจะเข้าสนิทในท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาวันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉะ น, นั้นโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นครับขอบพระคุณรสนิสุต ข, ของพระเจ้าเริ่มลงกับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิดนะครับ ขอบพระคุณพระเจ้าอครั้งนะครับในเช้าวันนี้เรามีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันที่เราจะเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ว่าพระองค์เจ้ามีพระประสงค์อะไรในชิตของเราทั้งหลายผมเชื่อมั่นว่าข้อความพระคัมภีร์ที่เราได้ดูไปในหนังสือยอนในบทที่15นั้นนะครับเป็นข้อความที่หลายคนคงคุ้นเคยนะครับที่เรามีโอกาสได้ร้องเพลงบ้างมีโอกาสได้ใช้ในสิ่งเหล่านั้นเป็นประจําของชีวิต จริงๆพระธรรมยนเป็นพระธรรมเล่มที่น่าสนใจนะครับเพราะพระธรรมยนเนี่ยได้สอนว่าเราจะมีชีวิตนิรันดิ์ได้อย่างไรนะครับนั่นหมายถึงการที่จะเราจะมีชีวิตอยู่ในพระองค์เจ้าถ้าเกิดพี่น้องมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมยนโดยเฉพาะยิ่งนะครับในบทที่20ในข้อที่30ถึง31ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการเขียนพระธรรมปียนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเชื่อระวังใจและได้ชีวิตแต่มากกว่านั้นเมื่อเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับว่า หนังสือพระธรรมยนเนี่ยนะครับได้เป็นแหล่งของชีวิตและจะสอนเราว่าถ้าเราจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าเราจะดําเนินการอย่างไรต่างๆในเช้าวันนี้อยากนําท่านหลายได้คิดถึงว่าชีวิตแห่งการติดสนิทเพราะว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่เราเป็นการสามัคคีธรรมและการอธิษฐานในสิ่งเหล่า น, นี้กําลังสอนถึงความจริงบางอย่างกับเรานะครับว่าทําไมเรื่องราวตรงนี้จึงสําคัญจะมีสามอย่างที่ให้ท่านหลายได้คิดด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับ ได้สามอย่างได้อย่างที่หนึ่งนะครับพระกบีได้สอนกับเราในข้อที่สี่ที่กล่าวในตอนต้นว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราคงเป็นคำถามที่น่าสนใจในประโยคแรกที่สุกกล่าวในหนังสือยนตนตรงนี้หมายถึงว่าชีวิตที่คุณจะติดสนิทนั้นหมายถึงคุณติดสนิทกับแหล่งที่ให้ชีวิตนั่นคือประการที่หนึ่ง ชีวิตของการติดสนิทนั้นหมายถึงว่าคุณต้องติดสนิทกับแหล่งที่ให้ชีวิตในโลกทุกวันนี้มีคนพูดอย่างนี้ว่าสิ่งต่างๆที่เราติดอยู่หรือเป็นสิ่งเสพติดในชีวิตของเราเนี่ยนะครับมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นมากมายผมไม่แน่ใจนะครับแต่ละคนก็ติดกันคนละอย่างเราเสพในสิ่งเหล่านั้นเยอะมากผมพยายามหาสถิติว่าคนไทยเราใช้ลน์วันละกี่ชั่วโมง อัตาเฉลี่ยแล้วดูแลน่ากลัว 6-8 ชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้เราจึงเห็นว่าสิ่งที่กำลังถูกใช้หรือคนในทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าเราเปิดดูอะไรก่อนกันหรือเราตื่นขึ้นมาเราใช้อะไรในชุดประจำวันของเราเดี๋ยวนี้นะครับมีคนบอกว่าเวลาคนเข้าห้องน้ำถ้าอยากจะไม่เข้านานกรุณาอย่าถือโทรศัพท์มือถือเข้าไป นะครับในทุกวันนี้คนที่เขาเรากำลังอยู่ในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงเรากําลังมีชีวิตอยู่ในชีวิตของเราติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมากมายคนบางคนอาจจะไม่ได้ติดอยู่กับสิ่งเสพติดที่เป็นในเรื่องของโทรศัพท์มือถือมีหลายอย่างในชีวิตของเราทั้งหลายสิ่งต่างๆคือสิ่งที่ไร้์ชีวิตแต่เรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิต ผมเคยดูภาพหลายภาพนะครับที่เขาพยายามให้เห็นภาพเขาบอกว่าทําไมเด็กชนบทจึงดูหน้าตาสดใสกว่าเด็กในเมืองไม่ใช่เด็กในเมืองอยู่ไม่ดีนะอยู่ดีนะครับตอนนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เด็กทุกคนในเมืองนอนเช้าหมดครับเราคงเข้าใจเนาะเด็กในเมืองนอนเช้าใช่ไหมครับเพราะก็นอนตีหนึ่ง นะครับโลกทุกวันนี้กําลังเปลี่ยนไปเด็กในชั้นบทที่เขาอยู่นั้นหน้าตาสดใสเพราะว่าชีวิตของเขานั้นไม่ได้มียึดติดกับสิ่งที่มีในโทรศัพท์มือถือต่างๆทั้งหลายเขานอนหลับแล้วก็เต้นเขามีเวลาเล่นอย่างสนุกสนานแต่รู้สึกเด็กในเมืองเวลาเจอหน้ากันเราเจอหน้ากันบนจอมากกว่าหน้าจริงครับมันเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้กําลังผลักดันเรานะครับมีบางคนกําลังตอบว่าเดี๋ยวนี้เราเข้าฟานพระเจ้าไม่ต้องมาคิดอาจากก็ได้ มาทำไมรถก็ติดสามกีทำทำไมในโลกมีอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้เขาใช้อะไรกันครับอยากจะฟังใครเทศนาครับถ้าคุณอยากจะฟังบริลลกเกเฮมเทศนาคุณเปิดคุณอยากจะฟังคนที่แทศนาคุณบางคนนะครับก็ไม่อยากจะมาเกิดจากเพราะว่าเนื่องจากเดี๋ยวตอนนี้นะครับแทศนาเสร็จนะครับสักพักหนึ่งมันขึ้นบนหน้าหน้าอะไรครับหน้าเว็บเพจของโบสถ์ใช่ไหมครับเข้าไปเปิดฟังได้ ทำไมเราจึงเข้ามาติดสนิทกับพระเจ้าผู้เป็นแหล่งชีวิตสิ่งถ้าเกิเรามีโอกาสได้กลับไปดูหนังสือย้อนบทที่สิบในข้อที่สิบพระเยซูเจ้าบอกว่ายังไงครับเรี๋ย้อนกลับไปนิดนึงเลยครับพระองค์บอกอะไรฮะเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์นั่นหมายถึงชีวิตที่เราอยู่ใกล้กับพระองค์พระองค์เป็นผู้มีชีวิตเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งต่างๆมันไม่ได้มีชีวิตครับ ถ้าคุณจะสังเกตเห็นนะครับพระเจ้าให้สิ่งที่มีชีวิตมันเปลี่ยนไปต่างๆทั้งหลายชีวิตของเราเนี่ยมันเหี่ยวลงทุกวันเพราะเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับพระเจ้าเขาบอกว่าเวลาที่เราแสงไฟที่มีทุกวันนี้นะครับมันต้องไปเชื่อมติดกับอะไรครับกับปลั๊กหรือการที่สายมันตรงกันแล้วทุกวันนี้เราติดสนิทกับพระเจ้าอย่างไรผมไม่แน่ใจว่าแสงในตัวของเรานั้นเป็นอย่างไร เราไม่มีแสงในตัวเองผมไม่ได้เปรียบว่าเราเป็นพระจันทร์ผมไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่สามารถจะมีแสงในตัวเราเองแต่แสงสว่างที่มาจากพระเจ้าจะสะท้อนภาพออกมาผ่านชีวิตของเราทั้งหลายเขาจึงบอกว่าเราดูคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์นั้นแตกต่างแต่เราดูบนใบหน้าของเราในทุกวันที่คุณใกล้ใกล้พระเจ้าหน้าตาคุณจะสดชื่นและสดใสผมเชื่ออย่างนั้น ในทุกๆวันนี้นะครับหน้าตาที่เราเปลี่ยนไปเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้พระเจ้าโมเสสอยู่ใกล้พระเจ้าโมเสสจึงมีหน้าหน้าของเขานั้นทอแสงออกมาเราจึงมีสันติสุขครับเมื่อเรายึดติดกับบางอย่างที่มันไล่ชีวิตเราจึงมีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าหมายถึงอะไรคือชีวิตที่ผูกพันชีวิตของเราสักคนหนึ่งถ้าคุณผูกพันกับใครคุณจะคิดถึงเขา ผมไม่แน่ใจว่าตลอดเวลาหรือเปล่าลองดูนะครับว่าวันหนึ่งคุณรักใครสักคนหนึ่งสมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นนะครับตอนนี้วัยรุ่นเหลือน้อยลงเลยครับสมัยเดิมนะั้นยังไม่ได้เป็นพกสตัรรมกอมพีวรนะครับอยู่ในระดับมัธยมนะครับผมก็อยู่นครสวรรค์ น, นะครับตาครี น, นครสวรรค์ก็แอบชอบสาวคนหนึ่งเลยครับ ทุกเย็นต้องออกจากบ้านครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูหลังคาบ้านเขาไม่รู้ใครเคยเป็นหรือเปล่านะมันเป็นความรู้สึกบางอย่างไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีและความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นมันเป็นความผูกพันไอ้ บ, บ่อยครั้งที่เราเรารักพระเจ้าชีวิตเราผูกพันขนาดไหนความสมบัติใกล้ชิดของเรากับพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร ถ้าวันไหนใครแอบมองพระเจ้าผมว่ายังชอบใจนะแสดงว่าเรามีความผูกพันกับหลวงคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าคือคนที่ยอมจำนนกับพระเจ้าบ่อยครั้งที่หลายครั้งนะครับเราไม่ยอมจำนนกับพระเจ้าผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วคนที่ไม่ยอมจำนนมีเยอะนะครับไม่ต้องท่อตัวเองนะในพระกบีของเรามีคนหลายคนที่ไม่ยอมจำนนกับพระเจ้าคุณรู้ไหมครับใค ร, ครบิดาแห่งความเชื่อเลย ดูเหมือนเขายอมจำนนกับพระเจ้านะแต่จริงๆตัวของอับราฮัมเองยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ยอมจำนวนกับพระเจ้าแต่พระเจ้าสอนจนเขายอมจำนวนกับพระเจ้าไม่ต้องกลัวครับชีวิตของเราทั้งหลายถ้าคุณอยากจะติดสนิทกับพระเจ้าในวิธีชีวิตเราอาจจะไม่เหมือนที่มันจะเรียบร้อยอย่างร้อยเปอร์เซ็นตเต็มไม่ใช่แต่จุดสาคัญนั้นชีวิตที่ไปหาพระเจ้าเราจะพบว่า ในเส้นทางของชีตนั้นจะมีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่าคุณเข้าใจความรักของพระเจ้าขนาดไหนในชีวิตของเราทั้งหลายหลายคนอยากจะเห็นความรักของพระเจ้าที่แสดงออกตลอดเวลาอยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายนะครับพระเจ้ารักเราจริงๆพงรักเราเหมือนคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ดูเราตลอดเวลาแต่ท่านห่วงใยเราเสมอและรู้ว่าเราต้องการอะไร คนที่ติดสนิทกับพระเจ้าจะเข้าใจเพราะว่าทำไมครับถ้าคุณติดสนิทกับพระเจ้าคุณจะถวายตัวของคุณเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตและเครื่องบูชาที่มีชีวิตจะรู้อะไรครับจะรู้น้ำประทัยพระเจ้ามีคนถามผมมากมายนะอาจารย์เราจะรู้น้ำประทัยพระเจ้าได้อย่างไรผมตอบเขาจริงๆว่าผมก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้น้าประทยพระเจ้าชีวิตของคุณต้อง ถวายตัวและติดสนิทกับพระเจ้าเพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าของเราแต่ละคนนั้นแตกต่างกันสําคัญครับคนที่เข้าใจน้ําพระทัยพระเจ้าคือคนที่จะรู้ว่าเวลาใดที่เขาจะถ่มตัวหลงเวลาใดที่เขาควรจะทําสิ่งใดนั่นคือความสําคัญที่เกิดขึ้นการมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องราวที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้นำในคิดครจัง ผมขอเอาไว้ใกล้นิดหนึ่งเลยกันคนที่เป็นผู้นำในครอบครัวลูกหลานมองเราตลอดเวลานะครับเขาจะดึงชิดของเราเป็นแบบอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าทำไมลูกพูดจาไม่เปราะเขาเรียนแบบจากใครท่าทีที่เขามีอยู่เขาเรียนแบบจากใคร ในทุกเวลาเพราะมันซึมซาบตลอดเวลาถ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอะไรที่เกิดขึ้นในแสวงรายการที่เราจะมีชีวิตอยู่นั้นกับพระเจ้านั้นคือสิ่งสำคัญมันจะออกมาในรูปแบบเหล่านั้นจริงๆครับนั่นคือประการแรกการติดสนิทนั้นหมายถึงเราติดสนิทกับพระเจ้าที่เป็นแหล่งของชีวิตแหล่งของชีวิตจึงให้ชีวิต อย่างที่สองพระกะบีได้บอกอะไรกับเราการเข้าสนิทอยู่ในเรานั้นพระองค์ใช้คำอะไรครับถ้าเรามีโอกาสเปิดในบทที่สิบห้าไว้นะครับในข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นนะครับแล้วก็ในข้อที่สิบนะครับ ถ้าท้าทั้งหลายประพฤตตามบัญญัติของเราท่านก็ยึดมั่นในความรักของเราเหมือนที่เราประพฤตตามบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นในความรักของพระองค์ประการที่สองชีวิตที่ติดสนิทคือชีวิตที่ติดสนิทกับโภชนะของพระเจา้าผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายรู้แต่บ่อยครั้งที่เราไม่ได้ทำ ทำไมภาชนะของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตครับภาชนะของพระเจ้าเปรียบดังอาหารหรือปุ๋ยที่ทําให้ต้นไม้นั้นเกิดผลได้ต้นไม้หลายต้นนะครับที่ไม่ได้รับปุ๋ยอย่างดีไม่ได้รับสิ่งต่างๆนั้นต้นไม้มันอาจจะเขียวเฉยแต่ไม่ได้เกิดผลอะไรชีวิตของคริสเตียนเราหลายคนนะครับเป็นชีวิตคริสเตียนที่เป็นต้นไม้ที่สวยงามระลมลื่นแต่ปราศจากผล เพราะไม่มีปุ๋ยในสมัยที่ผมทำงานเป็นนะครับอยู่ในเบียีนะครับเต็มเวลาในปากีสถานตอนนี้ก็ออกมาจากปากีสถานเบียีเพื่อจะไปเยี่ยมคิดจักลูกนะครับในที่ต่างๆเพราะว่าผมรับใช้พระเจ้าที่คองเตยสวิตเซอลสามเรามีคิดจักลูกอยู่แปดเก้าแห่งนะครับก็เดินทางไปเยี่ยมเ ย, ยี่ยมเยือนต่างๆทั้ ง, งหลายที่เบทีจริงๆต้นไม้สวยมากครับเขียวชอุ่มเลยครับ นะครับต้นมะม่วงเนี่ยเขียวชะอุ่มเลยครับขายสามใบบาทนะครับก็มีแต่ใบไม่ได้ขายสามลูกบาทนะครับนะครับสามใบบาทในวิถีชีวิตบางครั้งเนี่ยชีวิตของคริสเตียนเราดูบางทีมันดูสวยงามคริสเตียนบางคนเป็นเหมือนกับบอนไซบอนไซนี่สวยไหมครับคนที่เล่นบอนไซสวยนะมันครบองค์ประกอบหมดเลยมันมีความสวยงามในตัวมันเอ ง, ม, เองมันอาจจะราคาแพงก็ได้ และสิ่งเหล่านี้กำลังบอกบางอย่างกับเราว่าในชีวิตของเราเราได้รับปุ๋ยอะไรจากพระเจ้าพราะเขาไปใช้คำว่าขแขนงที่ติดกับโปรงนั่นคือการสามัคคีทำกับโปรงแต่การรับอาหารที่เกิดขึ้นนั้นคือมาจากถ้อยคําของพระเจ้าถ้อยคําของพระเจ้าจึงเป็นถ้อยคําที่ให้ชีวิตเพราะถ้อยคําที่ฝังอยู่ในเรานี่คือสิ่งสําคัญถ้าคุณมีโอกาสกลับไปอ่านศึกษาในพระสัญญาเดิมพระเจ้าสัญญากับโยชัวว่าอย่างไรครับ ในโยชูวาบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงเก้าวันนี้เราสอบพระคัมภีร์ไปด้วยเนาะผมเป็นครูสอนพระคัมภีร์ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีคําถามกับคนฝั่งเทศเสมอจงเข้มแข็งและกล้าหารเถิดใช่ไหมครับแต่พระคัมภีร์ตรงนั้นว่ายังไงมากกว่านั้นครับในข้อที่เจ็ดใช่ไหมลองดูโยชูวานะครับในบทที่หนึ่งนะเป็นคําท้าทายโยชูวานะครับในข้อบทที่เจ็ดในข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน นะครับถ้าเกิดพี่น้องมีโอกาสดูนะใช้บอกว่าเพียงแต่เจ้าเข้มแข็งและกล้าอาหารเถิดจงระวังที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดนะครับอย่าหลีกเลี่ยงไปอย่าอะไรไปทางซ้ายหรือขวาต่างๆทั้งหลายและเมื่อไปทุกที่นั้นจะเกิดอะไรครับจะได้รับความสำเร็จอย่างดี นะครับในข้อที่แปดไว้อย่างไงครับอย่าให้ทํา บ, บัญญัตินั้นห่างเหินไปจากป่าและตึกตรองทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อเจ้าจะระวังตามตามข้อที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดีนี่คือถ้อยคําของพระเจ้านะทําไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์ทําไมเราต้องมองถึงบัญญัติที่พระเจ้าบอกกับเราบัญญัติของพระเจ้ามีอะไรครับหืม เมื่อเจอกับพระเจ้ามีสองข้อเนาะที่พระเจ้าให้กับเราใช่ไหมครับจงรักพระเจ้าด้วยนะครับพระคัมภีร์เช้ว่าสุดทุกอย่างหมายถึงอะไรครับมันไปให้สุดปลาย มันใหญ่ของพระเจ้าดูมันง่ายก็ง่ายนะคุณรักพระเจ้าง่ายกว่าหรือรักมนุษย์ง่ายกว่าครับหลายคนบอกรักพระเจ้าง่ายเนาะเพราะมองไม่เห็นพระเจ้าทําอะไรก็ได้ไม่ใช่แต่สิ่งนี้กาลังจะบอกว่าพระงให้บัญญัติกับเราเพื่อเราจะมีชีวิตที่มีสา ม, มัคคีธรรมระหว่างพระเจ้ากับเราแล ะ, ร ะ, ระเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถ้อยคำของพระเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อที่เราจะทําให้เรามีชีวิตอยู่ที่ดีกว่าใครไม่ใช่แต่ถ้อยคําของพระเจ้าที่ให้กับเรานั้นเพื่อจะสําเร็จทุกอย่างเพื่อจะมีสามัคคีทำเพื่อจะสามารถดํารงชีวิตด้วยบัญญัติสองข้อของพระเจ้าผมไม่แน่ใจผมมาเทศนาที่นี่หลายครั้งนะครับแล้วก็ผมมักจะพูดถึงไม้กางเขนไม่รู้ใครยังจําผมได้บ้าง ไม้กางเขนมีสองเส้นเส้นตรงคืออะไรครับคือเส้นที่คุณคุณทำไรครับคุณรักพระเจ้าและเส้นขวางคือคุณรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผมรู้ว่าที่นี่ไม่ยอมเปลี่ยนไม้กางเขนแน่ผมมาหลายครั้ง ผมมักจะพูดเรื่องนี้รอจนธรรมกิจไม่กล้าเชิญผมหมายความว่าอะไรครับถ้าคุณรักพระเจ้ามากเท่าไหร่คุณจะรักเพื่อนมนุษย์ได้กว้างขึ้นนะครับผมไม่อยากให้ไม้เขียนบนนี้มันเขียนสั้นผมมาเราผมพูดหลายทีนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้โกรธอะไรแต่ผมเชให้เห็นบางอย่าง ว่าชีวิตที่คุณรักพระเจ้ามากเท่าไรแขนคุณจะกว้างขึ้นและคุณจะโอบล้อมคนได้มากขึ้นเพราะนั่นคือบัญญัติของพระเจ้าที่บอกกับเราเพราะเนื่องจากนี่คือความสําคัญว่าบัญญัติที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเบอร์เดินแต่มันทําให้เราไปถึงความสําเร็จแห่งชีวิตหลายคนบอกว่าทําไมชีวิตเราไม่ได้เกิดความสําเร็จที่เกิดขึ้นเพราะว่า เราไม่ได้ยึดติดกอยถ้อยคาของพระเจ้าที่ให้ชีวิตกับเราจังายมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าวันนี้คุณอ่านพระคัมภีร์หรือยังบ่อยครั้งนั่นคือความสำคัญที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับถ้อยคาของพระเจ้านั้นฝังอยู่ในเราขนาดไหนผมไปที่ไหนผมท้าทายตลอดนะครับผมไปเกิดขึ้นในชุดผมอยู่เสมอผมมักจะถามคนอื่นเสมอว่า มีกี่คนที่คุณบอกคุณสัตว์ซื่อกับพระเจ้าแล้วคุณจำถ้อยคำของพระเจ้าได้ห้าสิบข้อบางผมพยายามดูนะผมรู้คุณเริ่มนับแล้วผมรู้แล้วว่ายอนสามข้อสิบหกมาข้อที่หนึ่งบางคนกับแมท่ทิวเจ็ดข้อเจ็ดพ่อขออยู่เลย ถ้อยคำของพระเจ้าฝังขนาดไหนในชุดของเราเราพูดเป็นภาษิษ์ของพระเจ้าได้ไหมในตลอดชีวิตมันเป็นหัวใจสำคัญจริงๆเพราะเรามีสิ่งอื่นเยอะมากนะครับคนใดก็ตามที่ไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ท่องพะกกมีเยอะๆครับ เพราะแมมโมรี่ที่คุณไม่ได้ใช้มันจะหายไปเรื่อยๆมันจะโล่งโปร่งเลยนะครับยิ่งคุณมีโอกาสใช้แมมโมรี่ในหัวมากเท่าไหร่คุณจะความกลับคืนนั้นจะคืนมามีคนพูดว่าเมื่อใดก็ตามที่ iPad หรือโทรศัพท์มือถือมีแมมโมรี่มากเท่าไหร่ความจำในสมองจะลดลงไปเรื่อยๆ ไม่รู้จริงหรือเปล่านะสมัยก่อนคนหลายคนจะจำตัวเลขได้โทรศัพท์ใครนิท่องได้เลยเนาะในทุกวันนี้ลองถามโทรศัพท์ดิครับแม้แต่ของตัวเองยังจำไม่ได้เลยมันเป็นหัวใจสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นที่ผมนำสิ่งหล่านี้มาท้าทายคุณทั้งหลายคิดที่พระคัมภีร์บอกกับเราว่าอย่าให้สิ่งเหลนี้ห่างเหินไปจากเราถ้าห่างเหินไปจากเราเมื่อไหร่ความสาเร็จ และความราบลื่นจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตคุณลองดูสิครับคันที่เป็นสามีภรรยากันเวลาที่คุณจะทะเลาะ ก, กันคุณคิดถึงพระคำบีข้อไหนครับวันนี้ผมมาท้าทายทั้งหลายคิดนะเรื่องสามีภรรยาเป็นเรื่องลิ้นกับฟันครับหนุ่มสาวคิดถึงข้อไหนครับหรือคนที่แต่งงานมาแล้วต้องคิดถึงข้อไหนครับ จำได้ไหมครับวันที่ยืนท่องนะครับเวลาที่เรามาแล้วเราอ่านพระคัมภีร์หนึ่งโคโลนีบทที่สิบสามข้อความรักนั้นก็อดทนความรักนั้นอดทนนั้นคือสั้นๆบางคนความรักนั้นก็อดทนนานแล้วแต่เราเนาะมันเป็นหัวใจหลักนะ บ่อยครั้งที่เรามีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวผมเชื่อว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นทุกวันครับแต่ถ้อยคาของพระเจ้ามีคำตอบทุกเวลาชีตกครอบครัวน่าจะมีความสุขเนาะทำไมเราทุกครับทำไมเรามีความรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วไม่สบายใจเรามีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้น เพราะเราไม่ได้มีพระชนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตหรือเปล่าถ้าเรามีพระชนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราจะพบว่าเราไม่ใช่เป็นคนดีเลิศประเสริฐหลายไม่ใช่ครับแต่เราจะพบว่าในชีวิตของเรานั้นมีคำตอบอยู่เสมอผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายชีวิตที่ท่านติดสนิทกับถ้อยคำของพระเจ้าท่านจึงมีชีวิตเพราะท่านได้รับสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าตลอดถ้อยคาของพระเจ้า นะครับผมชอบวันนี้ที่เรามีสูชิบัตรนะครับถ้ามีโอกาสกลับไปนะครับขอนำกลับไปด้วยซึ่งท่านอาจารย์ประสิทธิ์แท้ตั้งได้เขียนไว้นะครับอาหารที่คุณกินเป็นอาหารขยะหรืออาหารที่เป็นประโยชน์ดีมากเลยนะครับอยากให้ท่านเอากลับไปแล้วลองดูว่าทุกวันนี้เรากินอาหารอะไรนะครับระหว่างอาหารที่เป็นขยะเรากินจังฟู้ดอยู่ตลอดเวลา แต่อาหารที่ดีเราไม่กินเลยนั่นหมายถึงว่าชีวิตของเราเสพหลายอย่างมากแต่เราไม่อ่านพระคัมภีร์เลยลองกลับไปดูนะครับท่านเขียนได้ดีมากอย่าทิ้งไว้ที่โบสถ์อีกนะครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่เราพิมพ์มาทั้งหมดเนี่ยจะกลับไปอยู่บ้านของท่านนะครับแล้วเวลาใดก็ตามที่ท่านจะกินอาหารขอเปิดดูตรงนั้นนะครับและท่านจะเปลี่ยนแปลงว่าวันนี้จะอ่านพระคัมภีร์หนึ่งข้อก่อนได้านกินข้าวลองดูไหม และท่านจะมีความสุขบางอย่างกลับไปบ้านก่อนกินอาหารที่บ้านนะถ้านั่งอยู่ในครอบครัวอ่านพระคัพเียสักหนึ่งข้อแล้วที่ฐานแลกกินอาหารผมว่ามันอร่อยขึ้นนะไม่เชื่อลองดูพระถ้อยคำของพระเจ้าให้ชีวิตครับและบ่อยครั้งเราขาดสิ่งเหล่านั้นเราจึงพบว่าสิ่งที่เป็นของที่มีประโยชน์เรากับไม่ได้ใช้ดังนั้นพระคัเีจึงท้าทายเราว่าถ้า สิ่งเหล่านี้ทำไมครับไม่ได้ห่างเหินไปจากปากของเราไม่ได้ห่างเหินไปจากใจของเราไม่ได้ห่างเหินไปจากครอบครัวของเราไม่ได้ห่างเหินไปจากชุดของเราชุดของเราจะรับสิ่งดีแล้วเกิดผลที่มาจากพระเจ้าอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าคุณจะลองทำแล้วคุณจะเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ นั่นเองนี่คือจุดที่สำคัญว่าทำไมพระเยซูเจ้าจึงท้าทายสาวกของพระองค์ว่าเข้าเสนนอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในชีวิตของท่านพระคัพปีใช้คำว่าฝังเลยนะครับมันฝังมันจึงอยู่ลึกและมันจึงเกิดผลเราจึงพบถึงความจริงนะครับในเวลาที่พระเจ้าบอกอะไรครับพูดถึงอุปมา ที่คนออกไปหวานพืชใช่ไหมครับไม่ดินอยู่กี่ชนิดครับสี่ชนิดมันเปรียบเหมือนใจของเราที่เรายอมไม่ถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ตรงไหนเดือนนี้เราจะเป็นเดือนที่เราจะสามัคคีทมคงไม่ได้สามัคคีทำระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ผมอยากจะบอกว่าตราบใดที่คุณไม่สามัคคีทำระหว่างคุณกับพระเจ้าที่ถ้อยคาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตคุณแล้วไม่มีประโยชน์ เพราะนั่นคือความสำคัญของชีวิตยอยากจะท้าทายเราใหม่ในวันนี้นั่นเองถ้าเกิดมีถ้าพี่น้องมีโอกาสกลับไปดูในบทที่สิบสี่ในเรื่องราวที่อยู่ในบทที่สิบสี่ของยอห์นสิบห้านะครับจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากมายเรื่องของบัญญัติของพระเจ้าที่ต้องฝังอยู่ในเรารักเราและปรากฏออกมาเสมอเองกลับไปดูนะครับ พระองค์เนี่ยบูชให้คำบัญญัติสองข้อแล้วก็พระองค์ก็พยายามสอนสิ่งเหล่านี้ว่าถ้าบัญญัติสองข้อนี้เกิดขึ้นแล้วถ้อยคำของพระเจ้าฟังกับเราแล้วเราจะไปถึงความสมาเร็จทุกอย่างของชีวิตยอย่างที่สามนะครับในหนังสือโยอนบทที่สิบสี่คุณติดสนิทกับพระเจ้าด้วยอะไรพระกบีใช้นะครับอยากดูในให้ท่านทั้งหลายดูในข้อที่เจ็ดนะครับ พระกบีบอกว่าถ้าถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะชูลขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นนั่นหมายถึงชีวิตองค์ุณติสินตด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์เป็นแหล่งชีวิตพระองค์ให้อาหารแห่งชีวิตและพระองค์ให้ลมหายใจแห่งชีวิต จะมีคนเปรียบเทียบเสมอนะครับว่าการที่ฐานเปรียบเสมือนการที่เราได้รับออกซิเจนหรือหายใจสิ่งที่สําคัญผลจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีอากาศที่เป็นออกซิเจนที่เข้าไปทําและผลิตอาหารในชีวิตของเราทั้งหลายเหมือนกันนะครับการเติบโตในเรื่องการที่ฐานนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากพระเยซูกิจเจ้าเป็นแบบอย่างของการที่ฐานครับคุณลองดูนะครับพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะทําอะไร พระองค์จะอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนเสมอบางครั้งพระองค์อธิษฐานคืนยันรุ่งก่อนที่พระองค์จะเลือกสาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเลี้ยงอาหารคนห้าพันคนพระองค์อธิษฐานก่อนก่อนที่พระองค์จะทรงรักษากายพระองค์อธิษฐานก่อนการอธิษฐานนั้นคือความสําคัญเพราะเป็นตัวเบิกนําให้เราไปสู่ความสําเร็จของชีวิตการอธิษฐานเป็นการสนทนาระหว่างเรากับพระเจ้าใช่ไหมครับ การที่านจึงไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวแต่คุณรักพระเจ้าขนาดไหนจะเกิดขึ้นที่ถ้อยคำที่อานของคุณเท่าไรผมมักจะถามเสมอว่าวันหนึ่งเราที่อานกับพระเจ้ากี่ครั้งครับสามเวลาก่อนอาหารคนหลายคนอฐานกับพระเจ้ามากกว่านั้นขอบคุณพระเจ้านะคุณรู้ไหมครับมีคน พูดอย่างนี้น่าสนใจมากอธิษฐานไม่ใช่เรื่องพารรมอธิษฐานไม่สามารถซัสทำซามทอธิษฐานห้ามอ้างว่าโนทำอธิษฐานเป็นเรื่องของฟูลทำและต้องทำออนทำและถ้าเป็นไปได้มากกว่านั้นทาโอเวอร์ทำ เพราะคุณไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงคุณได้ every time คำิฐานนั้นไม่สามารถจะทำ past time ครับไม่สามารถำทำซ m e time อย่าอ้างว่า no time แต่ต้องทำ full time และต้อง on อ time ทำ o v e time เพราะเอเวอร์ไทม์คุณแคนเดตนะคุณแคุณไม่รู้คุณนอนหลับแล้วคุณจะตื่นขึ้นอีกหรือเปล่าดังการอธิษฐานนั้นหมายถึงชีวิตที่คุณหายใจคุณระบายลมปราณที่พระเจ้าให้ลมปราณกับคุณเนี่ยเพื่อชีวิตของคุณจะติดสนิทกับพระองค์ในเวลานี้คุณอธิษฐานได้นะครับไม่ต้องหลับตาแต่คุณคิดถึงระหว่างคุณกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาเมื่อคุณคิดถึงใครพระเจ้ากาลังให้คุณคิดถึงนั่นคือฟูลไทม์ของชีวิตของคุณทั้งหลาย มันเป็นหัวใจสําคัญทีเดียวนะครับมันเป็นเรื่องที่พระเจ้าให้สิ่งที่แปลกและอัศจรรย์กับเราตลอดเวลาการที่ทานกับพระเจ้าจึงเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะว่าเมื่อคุณคิดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับพระเยซูกิจเจ้าได้สอนคนทั้งหลายท้าทายอยู่เสมอว่าเวลาที่คุณขอสิ่งใดและพระเจ้าประทานให้กับคุณเนี่ยเพราะอะไร มีบางคนบอกถ้าเกิดเราถูกระหวันที่หนึ่งนะเราจะให้พระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่คุณรู้ไหมครับทุกวันที่คุณให้พระเจ้าคือคุณได้รับพระพรจากพระเจ้าคุณขอพระเจ้าอะไรในชีวิตมากที่สุดครับคุณตอบเองนะพระเจ้ากาลังดูใจของคุณทุกครั้งที่คุณได้ฐานกับพระเจ้า แต่แล้วคนมีสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่างกันดังนั้นในคำริษฐานของเราทั้งหลาย pray p r a y มีอยู่สี่อย่างในนั้น p คืออะไร p คือ pray ในคำริษฐานคุณอย่าลืมสรรเสริญพระเจ้าเป็นสิ่งแรกนะ pray คือสรรเสริญพระเจ้าคุณจะพบว่าในทุกเวลาที่มีคนร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าหรือตัวพีเนี่ยจะเกิดเป็นอันบเดบอันดับหนึ่งในหนังสือสถูดีตลอดเวลาอ่า <R S 2> คืออะไรครับอย่าลืมนะครับในคำอธิษฐานทุกครั้งต้องร e เพ n t กลับใจสิกรันเพราะชีวิตที่มีความบากนั้นมันเป็นจิงตัวบล็อกเราไม่สามารถที่จะอธิษฐานแล้วเกิดผลได้ เอคืออาร์คคือทูลขอสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะสารภาพบาปก่อนนะแล้วค่อยทูลขอกับพระเจ้าอย่กิเริ่มต้นมาแล้วอขอพระเจ้าก่อนเลยแต่สิ่งที่สําคัญเราต้องรู้นะครับว่าลที่เราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าไปในสิ่งที่พระเจ้าประทานกับเราเราสารภาพบาปที่เราทําผิดแล้วเราขอพระเจ้า นั่นจึงจงโขแล้วจะได้ Why, Why คืออะไร Why คือ yield Y I E L D Yield คือการรับตามน้ำประทายพระเจ้านี่คือคำปฏิฐานดังนั้นถ้าเกิดมองว่าเมื่อคุณปทิทฐานกับพระเจ้ามาเร่จำคำว่า pray ให้ดี เป็นขบวนการของการต่อเนื่องเมื่อเราอยากจะที่ฐานกับพระเจ้าคิดถึงสิ่งเหล่านี้ฟูจามของเราแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆนั้นเราสรรเสริญพระเจ้าขนาดไหนในทุกวิธีชีวิตที่เราขอพระเจ้าเราขอพระเจ้าเมตตาและภัยเราขนาดไหนไม่มีใครไม่ทำบาปอย่าให้ความบาปปิดกั้นพระพรของพระเจ้าในชีวิต เดือนนี้เป็นเดือนที่เราสามารถที่ทำกับพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะทะลวงเราอย่าให้มีสิ่งใดที่ขวางกั้นระหว่างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าบ่อยครั้งที่เราไม่ได้เชื่อมสนิทกับพระเจ้าเราจึงไม่ได้อะไรกลับมาสู่ความคิดที่เรามีว่าในเราอยู่ในพระเจ้าเราติดสนิทกับพระเจ้านั้นหมายความว่าท่อน้ำเลี้ยงทั้งหมายทั้งหลายแหละเนี่ยมันคล่องตัว อย่าเป็นเหมือนสายยางที่มันมีตะไครน้ำจับเต็มไปหมดแต่ผมอยากให้สายยางที่เป็นพระพรของพระเจ้าเนี่ยนะครับมันเป็นสายยางที่ใสและพระพรของพระเจ้าจะไหลลงมาเราจะเกิดผลไม่ได้เราจะไม่มีความสุขในชีวิตถ้าเราแยกจากพระเจ้ากิ่งไม้ที่มันถูกตัดออกมันจะมีความสดอยู่ไม่กี่วัน แล้วมันจะหิวแห้งตายพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้จากตัดท่านทั้งหลายแต่วันนี้พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราไม่เกิดผลพระเจ้าอยากจะลิธ์เราทั้งหลายริดก็เจ็บนะการที่เราลิฟต์ถูกลิธ์อะไรมันเจ็บครับแต่มันดีกับชีวิตของเราทั้งหลายผมไม่รู้วันนี้พระเจ้ากำลังตรัสอะไรในใจของท่านทั้งหลาย เมื่อเราพูดถึงเดือนแห่งการสามาัคคีธรรมถ้าคุณไม่มีสามาัคคีธรรมกับพระเจ้าสิ่งที่คุณทำมาไร้ประโยชน์ทั้งหมดเพราะมันไร้ชีวิตแต่คนที่มีสามาัคคีธรรมกับพระเจ้าเขาจึงมีชีวิตและถ้อยคำแห่งชีวิตจึงไหลสู่ในใจของเขาและคำพูดแห่งชีวิตนั้นจึงออกมาสู่เราทั้งหลาย นั้นคำพูดจึงสำคัญที่แสดงออกถึงสิ่งต่างๆนั่นคือเราสามารถอธิษฐานเผื่อใครก็ได้ผมไม่รู้ผมมาทวงสิ่งที่ผมท้าทายท่านต่างหลายไว้ในหลายหลายครั้งที่มาที่นี่อธิษฐานเผื่อใครสักคนหนึ่งวันละหนึ่งนาทีไม่รู้ได้ทำหรือเปล่านะแต่เมื่อเจอผมเมื่อไหร่ก็ ท้าทายตรงนี้เสมอแล้วผมก็มักจะพูดว่าเวลามาบทที่ใดเขาตามการุณาเล่นเก้าอี้ดนตรีนะครับอย่านั่งที่เดิมเลยนะครับไม่มีที่ประจำตำแหน่งในในโบสถ์นะขอบคุณพระเจ้านะครับประชเช้าอาจารย์ศึกษาได้บอกให้เราทักทายคนข้างๆนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเลยเนาะเราก็มองหน้าเออหน้าตาคุ้นคุ้น นะครับบางทีเราเจอันข้างนอกเอ๊ะคุณอยู่โบสถ์ไหนบอกว่าอยู่วัฒนาอ้าวโบสถ์เดียวกันเลยนะครับแต่ไม่เคยรู้ชื่อเลยขอใหม่นะถามคนข้างๆว่าชื่ออะไรที่เราไม่รู้จักข้างหลังเราข้างหน้าข้างข้างเราอธิษฐานเพื่อเขาวันละหนึ่งนาทีในอาทิตย์เนี่ยเพราะเป็นเดือนแห่งการในจานนะ อาทิตย์หน้านั่งสลับใหม่นะครับคนที่เป็นสามีภรรยาบางทีก็นั่งแยกกันบ้างก็ได้นะครับถามคนข้างๆทุกอาทิตย์แล้วคิดถึงเขาวันละหนึ่งนาทีผมเชื่อว่าเก้าอี้ข้างหน้าจะไม่โล่งอีกเลยบ่อยครั้งที่เราลืมสมาชิก ที่ไม่ได้มาคิดอจักนานๆวันนี้คุณคิดถึงใครเดือนนี้คุณคิดถึงใครอธิษฐานเผื่อเขาหนึ่งนาทีทำได้ไหมครับไม่แน่ใจยอย่าเพิ่งตอบผมนะคุณตอบกับพระเจ้าเพราะว่าหนึ่งคำอธิษฐานเล็กๆที่คุณพูดลงไปในทุกวันเขาจะไปสกิดใจของคนที่แข็งกระด้าง และสิ่งเหล่นั้นจะถูกกระเทาะด้วยคำอธิษฐานหนึ่งนาทีของคุณจนมันแตกได้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเมตตาเราในวันนี้อย่าลืมอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าและสารภาพบาประหว่างเราและคนนั้นด้วยขอพระเจ้าเมตตาและผมเชื่อว่าคำตอบที่มาจากพระเจ้านั้นจะสมบูรณ์จริงๆคือนจากก็จะเกิดผลอย่างมากมาย ผ่านตัวท่านทั้งหลายไปสู่เขาเหล่านั้นขอร่วมยึดถัด้กันครับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากคําของพระองค์เจ้าที่นี่ที่ทุกอย่างที่ได้พูดออกไปนั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระองค์ให้คำหลายมีชุวิติดสนิทกับพระองค์เจ้าเพราะพระองค์เป็นแหล่งของชีวิตพระองค์มีถ้อยคําที่ให้ชีวิตพระองค์มีอากาศที่บริสุทธิ์ที่คำหลายได้หายใจ ในเวลาที่ข้ามหลายได้ทูลขอกับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เจ้าอย่างแท้จริงพระองค์เจ้าทรงเมตตาอย่าให้มีสิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางระหว่างพระพรของพระเจ้ากับข้างหลายกับคิดจักรของพระองค์ขอพระองค์เจ้าเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อข้างหลายจะรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์เหมือนดังที่พระองค์ได้บอกในถ้อยคําของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปและนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่เท่านั้น ขอสิ่งใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางข้าพทั้งหลายเพื่อชีวิตใหม่ที่มีอยู่และผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกิจจักจะจะมากมายตามพระประสงค์ของพระองค์เจ้าเมตตาและอวยพรเนสมาชิกทุกคนที่นี่ขอถ้อยคําที่ถูกฝังในชีวิตของเขาทั้งหลายนั้นเกิดผลเกิดผลและเกิดผลมากยิ่งขึ้นขอพระเมตตาที่มาจากพระองค์ด้วยฝากมอบซึ่งการละกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระสกิจจา Amén.